เ, เมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะสวดบทกรวดน้ำตอนเย็นเราก็ได้สาธยายบทโซมพิเศษ2บททั้ง2บทนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตนะปาชิโอวาตนะก็ พูดว่าเนี่ยวัยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องความไม่เที่ยงบทพิจารณาสังขารนะที่เราสวด ต, ต่อมานะก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารโดยเฉพาะของร่างกายนะร่างกายนี้เนี่ยเมื่อปราศจากวิญญาณ น, นะ อันขาวทิ้งเสียแล้วนะจักนอนทับซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้เราจะสังเกตบ้างหรือเปล่านะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการอาของพาสิตสองส่วนเนี่ยนะไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวนะ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 การทำกิจนี่ต้องขยันหมั่นเพียร น, นะพุทธศาสนาเนี่ยนะจะสอนสองอย่างนะอันน้คือทากิจนะทากิจเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นทมข้อสำคัญก็คือความเพียรความพยายามความไม่ประมาทนะส่วนถ้าเป็นการทำจิตเนี่ยนะสาระสำคัญหรือ สิ่งที่เป็นหัวใจนี่ก็คือการปล่อยวางอันนี้เราควรจะสังเกตนะว่าเวลาพระเจ้าตรัสเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยในบางครั้งพระองค์ก็ตรัสเพื่อให้เราเนี่ยเร่งขนขวายทำความเพียรนะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกที ความดีอะไรที่ควรทำก็รีบทำซะอย่าไปรอบอกว่าแก่ก่อนค่อยทำเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีโอกาสแก่นะบางทีนอกจากความไม่เที่ยงของสังขารแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะนึกถึงความทุกข์ของสังขารด้วยความไม่เที่ยงของสังขารนี่ก็หมายความว่า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 ซึ่มันก็สะท้อนถึงความไม่เที่ยงนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ยังเดินเถินไปไหนมาไหนได้นะอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าตอนนี้ น, นอนติดเตียงแล้วก็โอดครวนสายตานะบ่งบอกถึงความเศร้าบางทีก็บ่งบอกถึงความเหงาด้วยซ้ําำลองนึกไปบ้างนะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยนะ เราจะทำใจได้ไหมนะเราจะทำใจได้หรือเปล่าเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะต้องมาเจอกับสภาพนี้แล้วโอกาสที่เราจะอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะจะว่าไปก็ 90% นะคนทุกวันนี้เนี่ยกเ็นี่ยจะตายแบบตายด้วยความเจ็บป่วยแล้วก็ตายแบบชา้านะ ไอ้ที่ตายประกันหันเนี่ยเช่นหัวใจวายตายหรือว่าประสบุบัติเหตุหรือเจอภัยธรรมชาติแค่ส0บเข้างนั้นลอีก 90% เนี่ยก็คือป่วยตายและสมัยนี้ป่วยเนี่ยมันจะป่วยแบบยืดเยือย้อเรือ้อรังนะไม่ใช่ป่วยเพราะโรคติดเชื้อซึ่งทำให้ตายเร็วเช่น ว, วัดนกนะเดี๋ยววัดนกเนี่ยหรือว่าอีโบล่าพวกเนี่ยตายเร็วนะไม่กี่วันตายแล้ว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 ไม่ต่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์แต่บางคนเนี่ยนะพอพอเจอความเจ็บความป่วยเข้ายิ่งรู้ว่ามันเป็นโรคร้ายเนี่ยยิ่งงองมืององเท้าเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจิตใจจมอยู่ในความเศร้าความหดหู่นะแทนที่จะเร่งรีบนะใช้เวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ย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 แทนที่จะเร่งรีบทำความดีหรือว่าใช้เวลาที่มีเหลือน้อยลงทำความาทำสิ่งดีๆร่วมกันนะก็กลับจมนะอยู่กับความเศร้านะอันนี้เรียกว่ากิตก็ไม่ทำนะเพราะอะไรเพราะไม่ทำจิต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 นะใช้เวลานี้เนี่ยนะมอบสิ่งดีๆให้กับสามีแล้วก็พยายามใช้เวลาเนี้ยที่มันเหลือน้อยลงเนี่ยทำความดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันนะนี้เรียกว่านะยิ่งความตายใกล้มาถึงนะยิ่งต้องเร่งทำนะยิ่งเร่งทำความเพียรต้องอต้องรีบฉวยโอกาสนะทสิ่งดีๆ ก่อนที่มันจะหมดไปอันนี้เรียกว่ารีบทํากิจนะแต่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องทําจิต ด, ด้วยก็คือรักษาใจให้ดีคราวนี้เนี่ยอย่างที่พูดไว้ตอนตอน้ตนๆนะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านสอนว่าเรื่องการทํากิจเนี่ยก็ต้องทําความเพียรแต่ขณะเดียการจิตใจก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะ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 ไม่ต้องไปคิดถึงผลว่ามันจะออกมาอย่างไรหรือไม่ต้องคิดกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะถ้าเราลองทำด้วยลองทำกิต ด, ด้วยจิตที่ปล่อยวางเนี่ยนะมันจะปลอดโปร่งได้มากเลยนะสมัยที่ ถ้าเจ้าพุทธท่านเนี่ยท่านยังมีเรี่ยวมีแรงนะท่านก็เป็นเป็นกำลังสําคัญเลยนะในการก่อสร้างอาคารต่างๆในส่วนโมกเช่นโรง ม, มหาลสพทางวิญญาณนะรวมทั้งอาคารอื่นๆมีคราวหนึ่งท่านก็เป็นกําลังในการก่อสร้าง อาคารที่ชื่อว่าธรรมะนาวานะหรือเรียกย่อๆว่าเรือก็เช่นเดียวกับอาคารอื่นๆ น, ะในนะ่ใช้เวลาหลายเดือนนะใช้เวลาหลายเดือนลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็มาหาท่านเป็นโยมแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์เรือเนี่ยนะเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีท่านตอบว่าเสร็จแล้วเขาก็ดีใจแล้วก็แปลกใจนะ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 นะกายเหนื่อยไปใจไม่ทุกขนะ์นี่เรียกว่าทํากิจ ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยนะกิจเนี่ยทำเต็มที่นะแต่ว่าใจเนี่ยปล่อยวางแล้วปรากว่าทําได้ดีนะทําได้ดีกว่าลูกศิษย์ซึ่งทํากิจแต่ไม่ทําจิตนะทาไปก็โบนไปหรือทําไปก็พิตกไปเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเนะี่ยอันนี้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยถ้ า, าว่าเรารู้จักทํากิจและทําจิตนะงานได้ผลดีนะ และคนทําก็มีความสุขด้วยนะเราลองนะพยายามประสานทากิจและทาจิตเข้าด้วยกันนะสมัยที่สักเจ็ดสปปีก่อนนะที่วัดบวรเนี่ยมีสังฆราชาองค์หนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชากรมหลวงชินวอนสุริวัตรมีวันหนึ่งเนี่ย โยมเนี่ยถวายชุดน้ําชาเป็นของโบราณจากเมืองจีนนะสงสัยราชวงศ์หมิงมั้งมาถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแล้วก็กําชับนะว่าเนี่ยช่วยดูแลให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นของเก่ามากนะแล้วกอ็อาจจะบอบแบบบางทั้งหน่อยท่านได้รับนะท่านก็ ดูแลอย่างดีนะแล้วก็บอกเนนนะเนนที่อุปถาตท่านเนี่ยเวลาจะเวลาจะเคลื่อนจะย้ายนะเวลาจะทําความสะอาดท่านก็จะกําชับนะกำชับแบบจี้เลยนะว่ า, าให้ถือดีๆนะระวังแตกนะเวลาทําความสะอาดก็จะย้ำเลยนะว่าให้เช็ดเบาๆนะอย่าเช็ดแรงๆเดี๋ยวมันจะแตก ทุกครั้งเนี่ยนะท่านก็จะกำชับนะไม่ว่าเนนเอาชุดน้ำชาชุดนี้มามาถวายหรือว่าเอาไปล้างท่านก็จะกำชับอยู่ตลอดเวลานะจนเนนี่นะรู้เลยนะว่าเนี่ยจะต้องใส่ใจมากนะกับชุดน้ำชานี้แล้ววันหนึ่งนะขณะที่สมเด็จพระสังฆราชาองค์นี้เนี่ยกำลังส่งงานอยู่ตกวรรดินเสียงเพลงนะพระองค์ก็เลยเออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น บอกว่าชุดน้ําชาเนี่ยเนนทําตกแตกโอ้เนรนี่ตัวสัตว์เลยนะเพราะว่ารู้ดีว่าสมเด็จพระสงรังฆราชนี่ท่านกําชับกําช้ามากท่านเอาใจใส่มากบอกว่าพอท่านพอสมเด็จพระสงรังฆราชเห็นชุดน้ําชามแตกนะกระจายนะท่านก็เฉยๆนะยิ้มเลยซ้ํานะเออหมดภาระล้นะ <c oughs> คือท่านเอาใจใส่จริงจังแต่จิดท่านปล่อยวางนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าคนที่เอาใจใส่แบบนี้นะจะต้องยึดมั่นถือมั่นมากมันเนรเนี่ยเตรียมเลยนะเตรียมเนี่ยโดนพี่โลดแนะ่หรืออาจจะโดนอาจจะโดนทําโทษอย่างแรงนะเพราะว่าโดยภาษากรรจารย์นิท่านเอาใจใส่กวามชับกวามชามากแต่ที่ไหนได้นะท่านไม่ได้โกรธอะไรเลยนะนี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านเอาใจใส่นะด้วยใจที่ปล่อยวางอ อันนี้มันเป็นมันเป็นคุณสมบัตินะของคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะเขาจะทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยพวกเราก็ทำได้นะนะโดยพราะเวลาเจออะไรมากระทบนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่เราก็ทำจิตซะไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายนะยอมรับตระหนักว่าเออสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยง มันเป็นทุกวันดีคืนนี้ก็ป่วยแต่ก็ต้องทำกิจ ด, ด้วยนะคือรักษานะไปหาหมอก็ได้หรือว่าจะดูแลสุขภาพนะเยียวยาตัวเองนะไม่ใช่ว่าพอปล่อยวางแล้วก็เลยไม่รักษานะอันนี้ไม่ถูกนะบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคนกลุ่มหนึ่งนะทำกิจไม่ทำจิตนะอันนี้เราเจอเยอะนะพวกที่ทำขยันขันแข็งแต่ว่าเครียดนะ บางทีเราก็เจอในสำนัก ง, งานของเราเยขยันมากนะแต่ว่าเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกว่าเภทหนึ่งนะทำจิตไม่ทำกิจนะก็คือปล่อยวางปล่อยวางอย่างอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่ทำอะไรป่วยก็ปล่อยวางนะร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าไม่รักษานะเวลาบ้านเนี่ยหลังคารั่วปล่อยวางนะไม่ซ่อม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 หลังคาก็หายไปกุติหลังนึงหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยน ะ, ะบอกว่าพระที่อยู่ในกุตินั่นน่ยก็ไม่ซ่อมสักทีหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ซ่อมหลังคาพระก็ตอบผมกําลังฝึกปล่อยวางครับหลวงพ่อชาเขาตําหนิเล ย, เยว่าไอ้ปล่อยวางไม่ต้องใช้ปัญญานีไม่ใช่วางเฉยแบบบัวแบบควายนีอันนี้คือเข้าใจผิดนะว่าปล่อยวางหมายถึงการไม่ทํากิจ ปล่อยวางคือการทำจิตนะส่วนการทำกิจก็ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยงั้นะถ้าเรารู้จักนะทำกิจและทำจิตเนี่ยในด้านหนึ่งเราจะทำเต็มที่นะแต่ในอีกด้านนจิตเราจะปล่อยวางผ่อนคลายนะพูดงา่ายๆว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็เวลาท่าน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 ล้วก็ทำจิตไปด้วยคือว่าไม่ทำด้วยความโกรธไม่ทำด้วยความขุนมัวนะบางคนทำกิตแต่ว่าไม่ทำจิตนะก็คือแนะนำตักเตือนหรือด่าด้วยอารมณ์ที่โกรธนะอันนี้ไม่ถูกนะมันจะมีสองประเภทในที่สวิงหรือว่าไปคนละขั้วประเภทหนึ่งก็ตำหนิด้วยอารมณ์นะอันนี้เราทากิตไม่ทำจิตอีกประเภทหนึ่งนะ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 อันนี้เราทํากิตไม่ทําจิตแต่บางคนก็ทําจิตอย่างเดียวนะวัดจะทําอะไรมีงานอะไรก็ไม่ไม่สนใจคเคยมีนะสมัยหนึ่งเนี่ยมีโยมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันมีชาวบ้านเนี่ยมาลักตัดสมุนไพรก็มีคนมาบอกนะตัตมาก็เลยบอกขอแรงพระไปช่วยตามหาหน่อยนะว่าเขาไปตัดสมุนไพรตรงไหนนะ ไม่ต้องไปทําอะไรแค่เขาเห็นพระเนี่ยมาเขาก็หนีแล้วล่ะหน้าที่ของเราเราก็ควรจะรักษาป่ารักษาสมุนไพรมีพระบางรูปตนะ้อบอกว่าผมไม่ไปหรอกนะผมปล่อยวางแล้วนะ <c oughs> มีนะการปล่อยวางเนี่ยนะก็คือไม่ได้ยึดว่าป่าเป็นของเราอันนี้ถูกนะป่าไม่ใช่ของเราเนะพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะ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 มันทำได้ทั้งสองอย่างนะทำกิจและทำจิตควบคู่กันนะหรือว่ า, าทำความเพียร น, นะด้วยจิตที่ปล่อยวางนะนะพยายามที่จะเชื่อมโยงสองอย่างนี้ให้เข้าด้วยกันให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญทั้งคู่นะนะสำหรับชาวพุทธเนี่ยด้วยเห็นนี้แหละพรเจ้าเนี่ยจึงสอนว่านเนี่ยนะขณะที่ร่างกายไม่เที่ยงสังขารไมนะ่ไม่จีรังยังเ ย, ย, ยิงก็ต้องเร่งทาความเพียร แต่ขนเดียวกันก็ต้องปล่อยวางด้วยนะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเสริมกันด้วยซ้ำอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะครับ